เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่หวันที่สองได้เห็นสมใจใครจะว่าฝันมีความหมายหรือไม่มีความหมายต่อการปฏิบัติธรรมก็ตามสำหรับฉันบอกได้เลยว่ามีส่วนเกื้อกูลให้การปฏิบัติก้าวหน้าขึ้นอีกระดับหนึ่งและทำให้สังเกตสังการายละเอียดในชีวิตมากขึ้นคืออ่านออกแล้วว่าทุกวินาทีในชีวิต กำลังแสดงสภาวะธรรมตามจริงให้เราเห็นตรงๆสติของเราจะหยิบช่วยหรือไม่เท่านั้นอาจมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอยู่กับความทยานญยาขณะตื่นคือเมื่อปีก่อนช่วงแรกๆที่ศรัทธาพุทธศาสนาล้นอกล้นใจฉันปรารถนาจะเห็นพระพุทธเจ้าสักครั้งแบบที่ผู้คนสมัยพุทธกาลมีวาสนาได้เห็นด้วยตาเนื้อเป็นความปรารถนาอันแรงกล้า ที่อธิบายให้เข้าใจได้ยากคือคิดที่ไรเหมือนใจจะขาดเหมือนตระหนักว่าชาตินี้สายเกินไปไม่มีทางพบพระองค์สมความปรารถนาได้เลยเพราะท่านดับขันธปรินิพานไปนานหลายพันปีแล้วคืนหนึ่งอยู่ๆฉันก็ฝันว่าพระพุทธเจ้ามาเทศโปรดที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งของไทยฉันดีใจจนไม่เป็นอันทำอะไรรู้ข่าวก็รีบรุดไปทันที ความรู้สึกเหมือนไม่สนใจชีวิตไม่สนใจอะไรอื่นอีกแล้วขอให้ได้ใช้ตาเนื้อนี้ทอดทัศนาพระพุทธเจ้าพระองค์จริงเพียงครั้งเดียวแล้วจะตายก็ให้ตายไปไม่เสียดายเลยฉันเห็นผู้คนมากมายนั่งอยู่เต็มพื้นที่ลานวัดอันกว้างใหญ่ไพศาลใจเกิดปีติรำพึงอยู่ว่าสัตว์โลกเหล่านี้ช่างมีวาสนาจริงนะ ฉันค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณอันเป็นมหามงคลลลภูมินั้นชะเง้อชะแงสอดตาผ่านแมกไม้และช่องหินเหลี่ยมบางต่างๆเพื่อเห็นให้ได้ว่าพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ตรงไหนความรู้สึกขณะนั้นบอกตัวเองว่าองค์พุทธช่างเป็นบุคคลที่หายากเสนีกระไรแต่เดินมาเรื่อยๆผ่านช่องผ่านแนวพุทธศาสนกชนที่นั่งเรียงรายอย่างสงบ มาถึงจุดหนึ่งที่พ้นเหลี่ยมบางของโพใหญ่ต้นหนึ่งเบื้องหน้าไกลออกไปในระยะสิบเมตรก็เห็นพระมหาบุรุษในจีวรสีกรักประทับนั่งด้วยลีลาของผู้เสวยวิมุตติสุขเป็นนิรันดรพระสรีรากายล่ำเพีดุดท่อนหน้าแห่งพญาราชสีพระชวีขาวละเอียดคล้ายแหล่งกำเนิดแสงที่ส่องสว่างเป็นวงกว้างเรืองรองจับตาอย่างประหลาด ดวงพักเอิบอิ่มพระหนุคโค้งเหมือนวงพระจันทร์พระเสียนปราศจากเกศาพระเนตรดำสนิทแจ่มใสพระนาศิกโด่งมีปลายงุ้มเล็กน้อยพระโอดย้มเยี่ยงผู้ชนะกิเลสยิ้มสงบดุดเดียวกับที่เห็นในพระปฏิมาอันงามละไมาตาฉันเพ่งจ้องพระโฉมแห่งองค์ศาสดาด้วยอาการเบิกตาโตตะลึงเป็นครู่ ก่อนความรู้สึกภายในจะบอกตัวเองว่านี่คือการเห็นพอเสียงแห่งสติพุดขึ้นเช่นนั้นฉันก็รู้สึกตัวว่าสมควรสุดตัวลงนั่งพับเพียรพนมมือซึ่งก็พอดีจังหวะกับที่องค์ตถาคตเจ้าส่งแลมาทางฉันแล้วตรัส ด, ด้วยพระสุรเสียงอันมีกังวานนุ่มลึกสะกดใจให้สงบลึกซึ้งว่าดูก่อน เธอผู้มีศรัทธาในสติปัฏฐานสี่อันเรากล่าวไว้บริบูรณ์แล้วการแลเห็นร่างกายอันเปื่อยเน่านี้จะมีประโยชน์อะไรผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่าเห็นธรรมแลสมเด็จพระจอมไตรก็เบื่อพระพักไปตรัสถามอุบาศกอุบาสิกาในลานกว้างว่า พวกเธอสำคัญว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเหล่าอุบาสกอุบาสิกานับพันรวมทั้งชั้นประสานเสียงทูลต่อพระพุทธองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวว่าไม่เทียงพระเจ้าค่าเมื่อทรงยินคำตอบอันตรงตามจริงจากเหล่าสาวกผู้เห็นชอบทั้งหลายแล้วก็ตรัสถามอีกว่าก็สิ่งใดไม่เทียง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือสุขเล่าพวกฉันทั้งชายหญิงทูลตอบด้วยน้ำจิตสงบว่างเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะพระศาสดาตรัสถามนำปัญญาเยี่ยงมหาบุรุษผู้มาเปิดโลกว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะเล็งเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเรานั่นเรา นั่นอัตตาของเราพวกฉันทูลตอบด้วยความเข้าใจแจ่มแจ้งว่าไม่ควรเลยพระเจ้าค่ะภาพและเสียงทั้งหลายสลายไปตามคันลองอนิจจังฉันอยากมีเครื่องบันทึกฝันไว้เก็บฝันที่ดีที่สุดในชีวิตนั้นไว้เมื่อตื่นขึ้นมาอย่างน้ำตาซึมลุกขึ้นนั่งนิ่งอยู่นานตระหนักว่า นั่นเป็นการปรุงแต่งเชื่อมโยงอันแสนมหัศจรรย์ของจิตจิตของฉันผนวกเอามหาบุรุษลักษณะที่รับรู้จากพระคำภีมารวมเข้ากับเนื้อหาในวักลิสูตรซึ่งพระพุทธองค์สเสด็จไปโปรดภิกษุอาพาธชื่อวักลิโดยมีเนื้อหาที่สำคัญคือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นย่อมชื่อว่าเห็นเรารวมทั้งตรัสถามนาปัญญาด้วยว่ารูปเทียงหรือไม่เทียง ฉันย้อนพิจารณาขณะแห่งจิตในฝันอันชัดเจนที่มีสติบอกขึ้นมาว่านี่คือการเห็นฉันจำได้ถนัดถึงความตั้งใจเลงแสพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นภาพปรากฏแห่งมหาบุรุษลักษณะมีปิติอันเกิดจากความสมใจยิ่งใหญ่แต่สุดท้ายที่สุดสติก็บอกตัวเองว่านั่นแหละแค่นั้นแหละที่เรียกว่าการเห็นแถมพระพุทธนิมิต อย่างเทศโปรดตามข้อความที่ฉันเคยผ่านตามาก่อนในวัคคะลิสูตรตอกย้ำให้ทราบซึ้งแจ่มแจ้งยิ่งยิ่งขึ้นว่าต่อให้เห็นพระกราชกายแห่งองค์ท่านจริงๆที่สุดแล้วก็แค่การเห็นอันอาศัยตาเนื้อและรูปหยาบไม่สูเห็นธรรมะอันเป็นองค์จริงอันเที่ยงแท้แต่อย่างใดเลยเมื่อเข้าใจกระจ่างว่ารูปไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเห็นธรรมะแล้วการได้เห็นสมใจก็ดีการได้เห็นโดยไม่คาดฝันก็ดีการได้เห็นสิ่งที่ชินชาไม่ก่อให้เกิดความรู้สึกรู้สาใดๆก็ดีโดยเนื้อหาที่แท้จริงก็คือการเห็นเหมือนๆกันสิ่งที่ผิดแผกแตกต่างก็แค่ใจอันสาคัญมั่นหมายไว้เป็นต่างๆให้ค่าความหมายเป็นต่างๆเท่านั้น กล่าวได้ว่าวันนี้น่าบันทึกไว้ในฐานที่เริ่มเกิดความรู้สึกเกี่ยวกับพยาตนะทางตาเห็นอะไรก็แค่นั้นหากใจไม่เข้าไปร่วมยินดียินร้ายด้วยอย่างเดียวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็แค่อีกการเห็นครั้งหนึ่งเท่านั้น